จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราชส5 5 3เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พวกเราเจริญก้าวหน้า หลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขไม่มีวิธีอื่นต้องเกิดจากการบำเพ็ญด้วยตนเองผู้อื่นไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้เหมือนกับผู้อื่นไม่สามารถรับประทานอาหารแทนเราได้เราต้องปฏิบัติเองเราต้องศึกษาเองเพราะ เหมือนกับการรับประทานอาหารนั่นแหละถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็จะไม่ได้มีอาหารเข้าไปสู่ร่างกายของเราถ้าเราไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ธรรมะที่เปรียบเป็นเหมือนอาหารของชีวิตจิตใจของพวกเรานักปราชญ์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระ พระอรหันต์ตถาคกทั้งหลายก็ดีลวนต้องศึกษาและปฏิบัติเช่นเดียวกันถึงจะสามารถพัฒนาจิตใจให้ก้าวสู่ขั้นสูงสุดได้ให้พบแต่ความสุขที่ถาวรได้และให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรได้ ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการศึกษาพราะธรรมคำสอนสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกเมื่อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฝังแล้วอันดับที่สองก็คือนําเอาไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดก็จะตามมาอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถยับยั้ง ผลได้ถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลเป็นเรื่องที่มันเป็นของคู่กันแต่ถ้าอยากจะได้ผลโดยไม่ได้สร้างเหตุก็ไม่มีทางที่จะได้เช่นเดียวกันต้องมีเหตุก่อนผลถึงจะตามมาพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้เรารู้จักเหตุรู้จักผลเพราะเป็นสิ่งที่คู่กัน อย่าไปรู้แต่ผลอย่างเดียวเช่นความร่ำรวยความเจริญในหน้าที่การงานความมีความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่มาด้วยความปรารถนาความปรารถนานี้ไม่สามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้มีเหตุที่จะทำให้เขาเกิดขึ้นได้ก็คือการกระทำ เช่นการศึกษาหาวิชาความรู้ตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ต้องจะต้องศึกษาเริ่าเรียนเพื่อเราจะได้มีความรู้เพื่อจะได้นำมาไปเป็นเครื่องมือประกอบส ม, มาชีพเมื่อเราประกอบสำ ม, มาชีพมีเงินรายได้เข้ามาเราก็รู้จักเก็บรู้จักใช้ใช้เท่าที่จำเป็น เก็บไว้ให้มากแล้วก็เอาเงินที่เก็บนี้ไปลงทุนเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก <Yeah. S 1> ถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปผลคือความร่ำรวยย่อมเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ได้เกิดจากความปรารถนาของเราพระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้เรารู้จักเหตุเหตุก็คือการกระทำของเรานี่เอง การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจโดยเฉพาะการกระทาทางใจนี้เป็นการกระทาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ริเริ่มการกระทาทางกายและทางวาจาถ้าใจไม่คิดที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้การพูดการกระทาก็จะไม่เกิดตามมาใจนี่แหละเป็นผู้กระทาที่แท้จริง ส่วนวาจาและกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของของใจเท่านั้นเองแล้วเมื่อทําแล้วผลก็จะเกิดขึ้นกับใจใจจะเป็นผู้รับผลทั้งส่วนที่เกิดจากภายนอกและส่วนที่เกิดจากภายในส่วนที่เกิดจากภายในก็คือความรู้สึกสุขหรือทุกข์นีเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น พอใจคิดอะไรแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมาทันทีพอคิดดีความสุขก็ตามมาพอคิดชั่วความทุกข์ก็ตามมาแล้วเมื่อคิดแล้วก็ยังส่งต่อไปที่ร่างกายที่วาจาสั่งให้ร่างกายทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สั่งให้ร่างกายพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าออกมาจากถ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีก็จะพาก็จะสั่งให้ร่างกาย ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดโเวนีแล้วก็สั่งให้วาจาไปพูดปดมดเทศโกหลอกลวงหรือหรือพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีนี่คือการกระทำทางกายที่และวาจาที่จะตามมาจากการคิดไม่ดี เช่นเวลามีความโลภมากๆ ม, มีความโกรธมากๆแล้วไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยวิธีสุดจริตก็จะสั่งให้ไปกระทำการทุจริตให้ไปพูดวาจาที่ไม่สุดจริตเมื่อทาไปแล้วก็จะเกิดผลเสียหายตามมาทั้งในส่วนภายในคือจิตใจและส่วนภายนอกคือ ผู้อื่นเขาก็จะต้องมีการตอบโต้ ต, ต่อการกระทาของเราเราไปลักทรัพย์เขาก็มีทรัพย์ที่เป็นของมีเจ้าของเจ้าของก็ต้องตามหาทวงเอาคืนมาถ้าทวงไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งอานาจของผู้ที่มีอานาจ <c oughs> เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> ให้ดำเนินการติดตามจับกลุม <c oughs> เพื่อจะได้เอาของคืนมา <c oughs> ถ้าไม่ได้ของคืนมา อย่างอยก็ต้องให้เราได้รับโทษจากการกระทาที่ไม่ดีของเรานี่คือผลเสียหายเกิดจากการกระทาที่ไม่ดีส่วนผลที่ดีเช่นความร่มรวยการมีตำแหน่งสูงสูงการมีคนยกย่องสรรเสริญเยิอนยอก็เกิดจากการกระทาความดีเกิดจากการคิดดีนั่นเองคิดที่จะทำ งานทำการคิดที่จะศึกษาริ่มเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนอดกลั้นไม่ท้อแท้ไม่ให้เสียเวลาไปกระทำเรื่องอื่นถ้ามีหน้าที่เรียนหนังสือก็จะตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเดียวเรียนอย่างต่อเนื่องถ้ามีความตั้งใจและมีการเรียนอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถจบตามเวลาที่โรงเรียนเขากำหนดได้ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยสิ่งที่ยากก็คืออยู่ที่ใจของเราว่าชอบเรียนหรือไม่ชอบเรียนเท่านั้นเองถ้าไม่ชอบเรียนก็จะไม่อยากจะเรียนเมื่อไม่อยากจะเรียนก็จะไม่มีสติไม่มีตั้งไ ม, ไม่มีความตั้งใจที่จะฟังเวลาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไม่ตั้งใจที่จะทำการบ้านเมื่อถึงเวลาที่ไปสอบ ก็จะไม่สามารถสอบผ่านได้เมื่อสอบไม่ผ่านก็เกิดความท้อแท้ไม่อยากจะเรียนขึ้นไปท้งนี้ทางนั้นก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองที่ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาไม่เห็นคุณค่าของการมีความรู้ว่ามีคุณมีประโยชน์คกเราที่เราแตกต่างกันทุกวันนี้ก็แตกต่างกันที่ความรู้นี่เองคนที่มีความรู้น้อย ก็อยู่ในก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าลูกเหนือมได้เท่ากับคนที่มีความรู้มากกว่าเป็นเหมือนกันทั้งในทางโลกและในทางธรรมคนที่ไม่ได้จบปริญญาย่อมไม่สามารถหางานที่ดีเท่ากับคนที่จบปริญญาได้ในทางธรรมก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพาาระอรหันต์ต้องเป็นปุถุชนต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปไม่รู้จักจบจากสิน้นต้องรับเคราะห์รับกรรมรับเวงต่างๆที่มีตามมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี่คือเรื่องของเหตุและของผล ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราเสื่อมเสียให้เราทุกข์เราก็ต้องพยายามตัดต้องพยายามละอะไรที่เป็นเหตุที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้ารุง่งเรืองเราก็ต้องพยายามสร้างเหตุนั้นให้เกิดขึ้นให้มากการสร้างเหตุนี่ก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้นั่นเอง เราปลูกต้นไม้ได้มากเท่าไหร่ได้มากได้หลายหลายต้นเราก็จะได้ผลมากเราปลูกต้นไม้น้อยปลูกเพียงต้นเดียวผลก็จะน้อยน้อยกว่าคนที่ปลูกสองต้นหรือสามต้นถ้าปลูกเป็นร้อยต้นก็ยิ่งมีผลออกมามากทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การกระทาของเราการกระทาทางกายวาจาและทางใจการที่เราจะ กระทำสิ่งต่างๆที่ดีได้ถ้าเรายังไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ชอบทำความดีก็จำเป็นที่เราจะต้องเข้าหาผู้รู้หาคนดีศึกษาได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านและดูผลดีที่เกิดกับตัวของท่านเป็นตัวอย่างเมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้เกิดกำลังใจเกิดศรัทธา เกิดฉันทะความยินดีที่จะทาความดีพอเราเกิดฉันทะแล้วความขยันหมั่นเพียรที่อยากจะทำความดีก็จะตามมาจะไม่ท้อแท้จะไม่รู้สึกเหนื่อยยากกับการทำความดีเมื่อทำความดีแล้วผลดีเกิดขึ้นตามมาก็จะทำให้มีกำลังใจที่อยากจะทำความดีมากขึ้นไปเรื่อย ดยกระทั่งสามารถทำความดีถึงขั้นสูงสุดได้นี่คือการกระทำของพ่ะพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้ท่านศึกษาด้วยเหตุด้วยผลแล้วทรงเห็นแล้วว่าการกระทำความดีนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนเองและของผู้อื่นจึงทรงมุ่งมั่นต่อการกระทำความดี ในแต่ละภพในแต่ละชาติที่ทรงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทรงบำเพ็ญแต่บุญบารมีเช่นทานบารมีทรงเสียสละให้สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีเหลือกินเหลือใช้ให้แก่ผู้อื่นไม่ทรงหวงเก็บเอาไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่ได้เป็นของพระ อ, องค์เองต่อไปและพระ อ, องค์เองก็ไม่สามารถ นำเอาติดตัวไปได้แต่ทานบรารมีนี้เป็นสิ่งที่เอาติดตัวไปได้ทานบรารมีนี้เป็นเหมือนอาหารของใจเป็นเหมือนที่พึ่งของใจทำให้ใจมีสเบียงเวลาเดินทางไปในภพต่อไปจะไม่ไปอดอยากขาดแคลนจะไม่ไปลาบากลำบนเพราะได้มีสเบียงติดตัวไป นี่เป็นตัวอย่างของการทำความดีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นอกจากทานบารมีก็ทรงบำเพ็ญศีลบามีรักษาศีลห้าให้ได้สะอาดบริสุทธิ์เพราะศีลห้านี้จะทำให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายจะป้องกันไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตให้เกิดเป็นเดรัจฉานจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้า ซึ่งเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ไม่เหมือนกับภพบของเดรัจฉานหรือนรกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขและเมื่อส่งบำเพ็ญศีลบา ร, รมีพระองค์ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆได้บำเพ็ญบา ร, รมีส่วนอื่นต่อไปเช่นเนข ม, มะบา ร, รมีคือการหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบ ตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์ก็ทรงออกบวชหรือถ้าไม่ได้ออกบวชก็ถือศีลแปดศีลแปดนี้ก็คือการเพนเนขัมมะบรารมีนี้เองคือเราไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นเราไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเท่าที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกาย ก็รับประทานเพีย ง, เ พ, ยงเพียงถึงเที่ยงวันก็พอหลังจากนั้นแล้วร่างกายไม่ได้รับประทานอีกก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเรารับประทานพอกับความต้องการของร่างกายความสุขทางตาหูจมูกเช่นการดูหนังฟังเพลงการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ตัดไประงับไปการหลับนอนก็ไม่นอนบนฟูกหนาๆนา นอนบนพื้นพื้นไม้บูเสือบูผ้าเพื่อจะได้ไม่นอนมากจนเกินไปร่างกายนี้เวลาต้องการพักผ่อนจะนอนหลับได้ไม่ว่าจะนอนบนเตียงหรือนอนบนพื้นแต่จะนอนมากหรือนอนน้อยอยู่ที่ที่ที่ที่นอนถ้านอนบนที่นุ่มเช่นมีฟูกหนาะๆนะก็จะนอนมากเกินไป เช่นพอร่างกายนอนหลับพอเพียงแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ใจยังไม่อยากจะลุกก็ขอนอนต่อก็เลยนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงทั้งๆ ท, ที่ร่างกายไม่ได้มีความจำเป็นหรือต้องการการหลับนอนมากถึงขนาดนั้นก็เลยทาให้เสียเวลาที่มีค่าของชีวิตที่จะได้ไปทําบุญไปสร้างบารมีต่อแต่ผู้ที่ถือเนกข ม, มบารมี พอพักพอนอนพักบนพื้นมาอย่างนี้พอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็ ง, งก็จะรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติมาบำเพ็ญบารมีต่อมานั่งสมาธิมาทำจิตใจให้สงบต่อก็จะได้ความสุขได้ได้สเบียงเพิ่มขึ้นให้แก่จิตใจทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้น เวลาเดินทางไปก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้สร้างสเสบียงติดตัวไปนี่แหละคือเรื่องของการบําเพ็ญเหตุที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้พยายามทําตามถ้าเราน้อมเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาบําเพ็ญมาปฏิบัติ รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่จเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจะไม่มีการเสื่อมอย่างแน่นอนยกเว้นจากบุญยกเว้นจากวิบากกรรมที่จะมาวางขวางเท่านั้นที่จะที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้แต่การกระทาของเราที่ที่เราทำในปัจจุบันนี้จะไม่ส่งผลเสียหาย ให้กับเราเลยและเมื่อเราทำมากเข้าเรื่อยๆต่อไปก็จะมีแต่ผลดีตามมาอย่างเดียวเมื่อวิบากกรรมต่างๆที่เราเคยทำไว้ได้หมดไปก็จะเหลือแต่ผลดีคือความสุขความเจริญที่จะตามมาจนทำให้เราสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจของเราจนถึงขั้นพระนิพพานได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากการกระทำคือเหตุนี้เองการกาาระทำทางกายทางวาจาและทางใจคือทำดีละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากจิตจใจนี่คือเรื่องของ การรู้เหตุรู้ผลเป็นอย่างนี้ผลไม่ได้เกิดจากการขอจากคนนั้นขอจากคนนี้ผลไม่ได้เกิดจากการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาเองยกเว้นผลที่เกิดจากการกระทาที่ดีในอดีตชาติเช่นเราเคยทาบุญมามากก็ทำให้มีผลเกิดขึ้นมาโดยที่ เราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นอนิสงส์ของผลบุญที่เราเคยทำมาในอดีตเช่นอยู่ดีๆก็ได้รับเลื่อยนยศเลื่อนอตำแหน่งได้เลื่อนขั้นหรือว่ามีมีคนเอาเงินเอาทองมาให้อย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอนิสงส์ของบุญที่ได้ทำมาในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเหตุการ ที่ไม่ดีกับเราเกิดขึ้นมาก็เป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำมาในอดีตนั่นเองดังนั้น<ฮ>เวลาที่เราทำความดีแล้วเรายังไม่ได้รับผลดีแต่ยังต้องรับผลที่ไม่ดีอยู่ก็ขอให้เราเข้าใจว่าทำความเข้าใจไว้ว่ามันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีในปัจจุบันนี้แต่มันเป็นผลที่เกิดจากบาปกรรมที่เราทามาในอดีต แในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำไม่ดี ท, ทําบาปทํากรรมในปัจจุบันแล้วเรากลับได้ผลดีก็ขอให้เราทำความเข้าใจาว่ามันเป็นผลดีเป็นผลของบุญที่เราได้ทํามาในอดีตถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะหลงเราจะมีความหลงผิดไปคิดว่าทําบาปแล้วก็ได้ดีแล้วก็ทําดีไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมีคนคิดอย่างนี้เป็นจำนวนมากเขาคิดว่าเขาทำดีแล้วเขาไม่ค่อยได้ผลดีตามที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้แต่บางทีเขาลืมไปว่าเขาเคยทำบาปทากรรมทำความไม่ดีมาก่อนแล้วผลของเขาผลของการทำบาปทากรรมนี้เกิดขึ้นตะขึ้นเกิด ข, ขึ้นก่อนผลดีที่เราทำในวันนี้เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในวันนี้ เราคงจะไม่หวังผลที่ให้เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนต้นที่เราปลูกไว้แล้วเมื่อ5ปี10ปีก่อนผลมันก็จะเกิดขึ้นมาดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะต้องเชื่อมั่นในการทำความดีว่าย่อมมีผลดีตามมาอย่างแน่นอนและการทำความชั่วย่อมมีผลเสียตามมาอย่างแน่นอนเพราะนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพิสูจเห็นแล้วอย่างชัดเจนจึงไม่สงสัยจึงไม่ไม่ไม่รีรอที่จะนํามาสั่งสอนให้แก่พวกเราขอให้พวกเราเพียงแต่ทําความเข้าใจให้ถูกต้องเท่านั้นเองว่าเวลาทําดีแล้วได้ผลไม่ดีนั้นเป็นเพราะเป็นผลของการกระทําไม่ดีที่เราทํามาก่อน เช่นเดียวกับการกระทำชั่วแล้วได้ผลดีก็ขอให้เราคิดว่าเป็นผลดีเป็นผลดีที่เราเคยทํามาในอดีตไม่ใช่ผลของการกระทําความชื่วถ้าเราอยากจะวัดผลของดีหรือการกระทําความชั่วที่แท้จริงเราควรวัดที่ใจของเราดูที่ใจของเราเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลาเราทําการ ทำไม่ดีนีจใจของเราจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาทันทีเวลาเราทำความดีใจของเราเย็นจะเย็นจะสุขจะสบายทันทีเนี่ยผลที่แท้จริงที่เราสามารถยืนยันได้ก็ผลที่เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของเราเวลาใจของเรารุ่มร้อนใจของเราไม่ไมสบายมีความทุกข์กวลกวายนี่แสดงว่าใจกาลังของเรากำลังคิดไม่ดี ในเวลาใดที่ใจของเรามีความโล่งเย็นเป็นสุดมีความสบายไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวเวลานั้นใจของเราคิดดีเช่นในเวลานี้ใจของเราอยู่ในความสงบอยู่ในความสบายเพราะใจเราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองถึงแม้ใจเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยการที่ไม่คิดอะไรเลยนี้ก็เป็นเป็นวาร เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับใจทำใจให้ว่างทำใจให้ปราศจากความคิดได้ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นใจจะมีความสุขที่แท้จริงส่วนความคิดถ้าคิดดีก็มีความสุขที่เกิดจากความคิดดีถ้าคิดไม่ดีก็จะมีความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่ดีถ้าไม่คิดเลยทำใจให้สงบนิ่งใจก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขแบบนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มีอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่รอโอกาสให้ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะความคิดของเรานี้มักจะไม่เปิดโอกาสให้ความสุขที่แท้จริงนี้ปรากฏขึ้นมาเพราะเรามักชอบคิดอยู่ตลอดเวลาชอบคิดเรื่องนั้นชอบคิดเรื่องนี้คิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์สลับกันไป แต่เป็นความทุกข์ความสุขที่ชั่วคราวพอคิดไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเปลี่ยนเรื่องคิดไปคิดเรื่องที่ดีความทุกข์ก็หายไปความสุขก็กลับมาแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าการไม่คิดนี้กลับจะดีกว่าการคิดเสอีกถ้าเราทำใจให้ว่างไม่คิดให้ได้ไม่คิดได้แล้วใจของเราจะสงบเมื่อเกิดความสงบแล้วก็จะเกิดความสุข ที่แท้จริงขึ้นมาภายในใจของเราสุขนิลาศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นรถแห่งธรรมรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การทำจิตใจของเราให้สงบไม่ให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ให้คิดแต่เรื่องที่ดีส่วนเรื่องที่ไม่ดีนี้อย่าไปคิดเลยไม่จำเป็นต้องคิดคนเราไม่ต้องคิด ไปในทางโลภไปในทางโกรธเพราะการคิดไปในทางโลภทางโกรธนี้มันเป็นอันตรายกับใจของเราเป็นการสร้างไฟมาเผาใจของเราถ้าเป็นบ้านก็เป็นเหมือนจุดไฟเผาบ้านตัวเราเองเวลาโลภแล้วใจมันร้อนใจมันกรงวนกระวยกระสับกระส่ายแล้วมันจะคิดไปในทางที่ไม่ดีจะคิดไปในทางกระทาผิด ทำบาปทำกรรมเช่นเดียวกับเวลาที่มีความโกรธก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจที่อยากจะไปพูดไปทําในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราจึงควรอย่าไปคิดทางโลกอย่าไปคิดในทางโกรธเวลาคิดในทางโลกก็ให้ใช้เหตุผลเข้ามายับยัง้งว่าโลกไปทํำไมโลกมาแล้วได้อะไร ไม่มีอะไรเราเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยเราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นเองไว้ให้ร่างกายอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งส่วนอื่นส่วนสิ่งอื่นๆนี้ได้มาแล้วมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมันมีความสุขเพียงนิดหน่อยแต่มันมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาเพราะจะต้องคอยแสวงหาเวลาอยากได้แล้วเมื่อได้มาก็ต้องคอยรักษา แล้วเมื่อเสียไปก็ต้องมาเสียใจเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสู้ทำใจไม่ให้โลภดีกว่าเมื่อไม่โลภแล้วใจของเราก็จะสงบจะสบายจะมีความสุขเช่นเดียวกับความโกรธเวลาความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็ต้องระ ง, งับมันต้องต้องบอกตัวเราว่าเรากำลังจุดไฟเผาตัวเราเองด้วยความโกรธสิ่งที่คนเขาพูดเขาทาไปนั้น ก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วถ้าเราไม่เอามาคิดไม่เอามาถือเป็นสาระมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราเราอย่าไปเอาคำพูดการกระทำของผู้อื่นมาแบกปล่อยเขาทำไปใครอยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราห้ามใจของเราไม่ไปเอาเรื่องของเขามาแบกได้เขาดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าไป เานั้นมันก็ไม่ร้อนไม่ไม่เกิดแต่ถ้าเขาด่าแล้วเราเอาเข้ามาเอามาแบกเอามาเอามาถือว่าเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีเราก็จะร้อนขึ้นมา ท, ทันทีดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางเขาจะทาอะไรปล่อยเขาทำไปเขาจะพูดอะไรปล่อยเขาพูดไปไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือการดูแลรักษาใจของเราให้สงบให้ว่าง ไม่ให้คิดไม่ให้ตอบโต้กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆให้สักแตก่ว่ารู้เท่านั้นก็พอรู้ว่าเขาด่าเราก็พอแล้วรู้ว่าเขาชมเราก็พอแล้วเขาชมเราก็ไม่ต้องไปดีใจเขาด่าเราก็ไม่ต้องไปเสียใจให้รู้เฉยๆถ้าเราทำใจให้สงบให้นิ่งได้เราจะรู้เฉยๆได้เราจึงต้องพยายามฝึกทำใจให้สงบนี่คือ เหตุที่จะทําให้เรามีความสุขเหตุที่จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าอยู่ที่การกระทําความดีและการกระทําการไม่ดีและละความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปนี่แหละสิ่งที่เราควรจะกระทํากันให้มากๆมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ แล้วเราจะได้พบกับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญเหตุที่ดีทั้งหลายและและเหตุที่ไม่ดีทั้งหลายให้ท่านได้นำเอาไปพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อผลที่จะดีที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้